วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26สิพฤษจิกายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบรตรัตว์ผู้ใฝ่ธรรมผู้หวังที่จะได้รับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาวัด เพื่อมาทำหน้าที่ในการที่จะไปรับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็คือความเจริญความสุขทางด้านจิตใจการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆของจิตใจต้องมีการดำเนินการอยู่สามขั้นตอนด้วยกัน คือขั้นตอนที่หนึ่งต้องมีการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเ <c oughs> มื่อได้ศึกษาแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนขั้นที่สอง <c oughs> ก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้อง ตามหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าประโยชน์ที่จะเกิดก็จะเกิดขึ้นตามมาเรียกว่าบรรลุถึงผลของการปฏิบัติผลของการปฏิบัติก็คือการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้จิตใจสูงขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ ก็จะขึ้นไปสู่เทวดาชั้นเทพจากเทวดาชั้นเทพก็จะไปสู่ชั้นพรหมจากชั้นพรหมก็จะไปสู่ชั้นพระอริยบุคคลจนถึงชั้นสูงสุดคือพระนิพพานตามลําดับก่อนที่เราจะได้รับผลเหล่านี้เราต้องเริ่มที่ขั้นตอนแรกก่อน เป็นเหมือนกับการเดินทางถ้าเราต้องการเดินทางไปสถานที่ใดที่หนึ่งที่เรายังไม่เคยไปเราก็ต้องศึกษาทิศทางดูว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปนั้นไปทางทิศไหนไปถนนเส้นไหนหรือไปด้วยวิธีใดบางทีอาจจะต้องเดินทางโดยรถยนต์ บางทีต้องเดินทางโดยรถไฟบางทีต้องเดินทางด้วยเครื่องบินหรือบางทีต้องเดินทางด้วยด้วยเรือถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเราก็จะไม่รู้การเดินทางที่ถูกต้องว่าเราควรจะเดินทางด้วยวิธีใดและจะไปที่ไปในทิศทางใด ดังนั้นก่อนที่เราจะเดินทางไปไหนนี้เรามักจะศึกษากันไว้ก่อนว่าสถานที่เราต้องไปต้องการจะไปนั้นจะไปถึงได้อย่างไรฉันใดสิ่งที่พวกเราปรารถนากันก็คือความสุขความเจริญของจิตใจที่จะเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักวิธีการ ที่จะทำให้เกิดความสุขและความเจริญขึ้นมาโดยลำพังแล้วเหล่านี้จะไม่รู้ความวิธีการที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง<ม>เราเลยต้องอาศัยผู้ที่รู้เรื่องราวเหล่านี้<ม>ผู้ที่รู้เรื่องราวของจิตใจ รู้เรื่องราวของการยกระดับความสุขและความเจริญของจิตใจและลดความทุกข์ของจิตใจให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปได้นั้นจะตั้งทาอย่างไรและใครเป็นผู้ที่รู้วิธีการเหล่านี้ผู้ที่รู้วิธีการเหล่านี้ก็มีเพียงสองบุคคลสองประเภทเท่านั้น คือหนึ่งพระพุทธเจ้าและสองพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้บรรลุถึงผลอันอันยิ่งใหญ่ของจิตใจคือการได้สร้างความสุขสร้างความเจริญถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานและดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีบุคคลใดในโลกนี้ที่จะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของจิตใจเท่ากับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวคของพระพุทธเจ้าบุคคลอื่นจะเป็นอาจารย์ระดับไหนก็ตามอาจารย์ระดับปริญญาเตโตเอกผู้สอนวิชา ศาสตร์ต่างๆแขนงต่างๆวิชาความรู้ของครูบาอาจารย์เหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นวิชาความรู้ที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นลดความทุกข์ให้น้อยลงและกำจัดความทุกข์ของจิตใจให้หมดสิ้นไปได้ มีอาจารย์อยู่สองท่านนี้เท่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านอกนั้นแล้วจะไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้จิตใจสุขให้เจริญมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนความทุกข์หมดสิ้นไปจากใจ ดังนั้นบุคคลที่เราต้องเข้าหาเพื่อศึกษาวิธีการที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจของเรานั้นเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้แม้โต อ, องค์ท่านคือ พ, พระศรีละร่างกายของพระพุทธเจ้านี้จะได้จากเราไปมานานแล้วก็ตา่าง แต่องค์ความรู้ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้จากโลกนี้ไปยังอยู่กับเราต่อไปอยู่ในรูปแบบของพระธรรมคําสอนที่มีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่พระพุทธเจ้าทรงตัดก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่าพวกเธอทั้งหลายจะไม่ได้อยู่ปราสจากศาสดาเพราะว่า ผู้ที่จะมาเป็นศาสดาแทนเราต่อไปก็คือพระธรรมวินัยที่เราได้สั่งสอนไว้ดีแล้วนั่นเอง<ม>คือสวากขาโตพระกัตตาธรรมโ ม, มทมที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั่งสอนไว้ดีแล้วมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้ว<ม>จะเป็นผู้ทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปได้<ม>คำสั่งคำสอน ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงทรงสั่งสอนให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุถึงพระนิพพานนี้มีอยู่มากมายเพราะทรงมีการสั่งสอนธรรมะอยู่ทุกวันวันละสามสี่รอบด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็ทรงแสดงธรรมโปรดศรัทธาญาติโยมคารวสผู้ครองเรือน ยามค่ำก็แสดงธรรมโปรดพระภิกษุภิกษุณีนักบวชและในยามดึกก็ส่งแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาทั้งหลายแล้วในช่วงเช้าก่อนจะเสด็จออกบินทบาทก็ส่งรายงยานดูว่าควรที่จะไปสอนผู้ใดเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นคือ ดูจิตใจของผู้ที่จะรับสั่งสอนว่าพร้อมที่จะรับทำอันประเสริฐนี้ได้หรือไม่และชีวิตของเขาอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล้ก็จะทรงมุ่งไปโปรดบุคคล น, นั้นเป็นกรณีพิเศษไปทุกวันและทุกครั้งที่พระพุพะพทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี้ก็จะมีผู้มาคอยฟังและคอยจดจากันเอาไว้ คืออย่างน้อยก็มีพระเลขาที่ชื่อว่าพระอานุนพระานุนน์นี้ท่านมีความสามารถพิเศษมีความจําอันดีเลิศทำที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้แต่ละครั้งมีพระ อ, อนุนจะเอามาจดจําไว้ได้หมดและนอกจากนั้นแล้วพระ อ, อนุนยังได้ขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดในกรณีที่ พระพุทธเจ้าไปทรงแสดงธรรมแล้วพระอานนุ์ไม่ได้ติดตามไปด้วยขอให้พระพุทธเจ้าเวลากลับมาที่วัดแล้วได้โปรดแสดงธรรมอันนั้นให้กับพระอานน์ฟังอีกครั้งหนึ mm ่ง hmm. เพื่อพระอนุ์นี้จะได้บันทึกไว้ในจิตใจ mm hmm. แล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจากโลกนี้ไปพระอาหารหันตสาวกห้าร้อรูป mm hmm. ก็นัดประชุมกัน เพื่อมาทบทวนความสั่งคำสอนที่ได้จดจำกันมาซึ่งมีมากมายถึงแปดหมืสี่พันธรรมบทด้วยกัน<ม>ก็ต้องอาศัยพระอา น, น์นี้เป็นผู้ที่จะคอยตรวจสอบให้คอยตรวจสอบความแม่นยำความถูกต้องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ดังนั้นธรรมที่ผู้พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นี้ในครั้งแรก หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจากโลกนี้ไปแล้วสามเดือนพระอรหันตสาวกห้าร้อยรูปก็จะมาประชุมสังคยามามาทบทวนมามาตรวจสอบความถูกต้องของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถูกต้องกันหรือไม่ถ้ามีหลายหลายคนด้วยกันมาจดจำมา เราทบทวนก็จะสามารถยืนยันกันได้ว่ า, าทมที่พระเจ้าทรงสแสดงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วยิ่งเป็นพาาาระอรหันตสาวกด้วยนี้ท่า น, นจะรู้ความผิดถูกของธรรมต่างๆได้ดีกว่าทำอะไนที่ไม่ใช่เป็นธรรมที่พระเจ้าทรงสแสดงแต่ผู้ฟังจดจำมาก็จะถูกคัดออกไปเพราะพาาาระอรหันต์ท่านรู้ว่า ทำบรรดที่จะเป็นธรรมที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ทำบรรดที่จะนำไปสู่พระนิพพานถ้าทำบรรดที่ไม่ได้นำไปสู่การดับทุกข์หรือการไปสู่พระนิพพานทำมันนั้นก็จะถูกคัดออกไปดัง น, นั้นพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านี้จึงเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำเพราะมีภาพงานตัศนวกทั้งห้าร้อยรูปด้วยกันที่มารับรองความ ความแท้จริงของคําสอนนี้แล้วก็ได้มีการจดจาถ่ายทอดมาเป็นยุคเป็นสมัยมีพระอหรหันต์มาคอยตรวจสอบดูกันอยู่เรื่อยๆจนมาถึงยุคที่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหนังสือเป็นคาพีขึ้นมาแล้วก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกดังนั้นผู้ที่อยากจะศึกษาคําสั่งคาสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ ก็าสามารถไปศึกษาจากพระไตรปิฎกได้ไป ส, ไปสูไปศึกษาพระสูตรสำคัญต่างๆ mm hmm. ที่มีการคัดออกมาโดยพระพระพร ะ, พระสงฆ์องค์เจ้า mm hmm. ทำมาเป็นหนังสือเป็นเรื่องๆไป mm hmm. แล้วก็มีการมามาแปลความหมายต่างๆมาให้ ความคิดเห็นต่างๆเพื่อขยายข้อความให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับดังนั้นสิ่งที่ชาวพุทธเราผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ในเบื้องต้นก็ควรที่จะศึกษาคำสอนที่เป็นคำสอนหลักที่มีบันทึกไว้ในพระสูตร ที่สำคัญมีอยู่สี่ห้าพระสูตรด้วยกันเช<ม>่นธรรมจักรกับวัตนะสูตร<ม>เป็นพระสูตรเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าโปรดพระปัจจวคีทรงแสดงมรรคแบดอริยาาสัจว์<ม>่ที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นได้บรรลุถึงพระนิพพาน<ม><ม>แล้วก็ทรงแสดง พระอนัตตลักษณสูตรแสดงวิธีที่จะทําให้จิตใจนั้นได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ต้องมีต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นภาวะธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายจิตใจสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ล้วนไม่มีตัวตน โดยนเป็นภาวะทางธรรมชาติแล้วก็มีแสดงพระสูตรอีกอันแก่พวกนักบวชให้เห็นโทษของของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะว่าการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนี้ไม่ได้เป็นการไปดับทุกข์ไม่ได้ไปการหาความสุขที่แท้จริงแต่เป็นการไปหาความทุกข์ ก็เรียกรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานี้ท่านท่องทรงเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นเหมือนกับไฟใครไปเล่นกับไฟแล้วก็จะต้องถูกไฟเผาใครไปเล่นกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานะเดี๋ยวก็จะต้องถูกรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานมาแผดเผาหัวใจทําให้ใจเศร้าทําให้ใจเสียอกเสียใจมีความทุกข์มีความไม่สบายใจตา่างๆเนี่ย สาระสูตรอันแรกธรรมจักกัปวัตนสูตรอันที่สองอนัตตลักขณาสูตรอันที่สามอาทิตตะปริยายสูตร<ม>และอันที่สี่กส็สอนวิธีปฏิบัติทำจิตชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการแสดงสติปฐานสี<ม>เป็นการสอนวิธีเจริญสติวิธีนั่งสมาธิ ก็ใจเข้าสู่ความสงบให้เกิดเกิดเกิดฌานขั้นต่างๆขึ้นมาถ้าเมื่อจิตมีความสงบมีฌานขั้นต่างๆจิตก็จะมีพลังที่จะศึกษาธรรมชาติความเป็นจริงของร่างกายของเวทนาและของจิตใจว่าเป็นตายรักคือเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นทุกขงัง ถ้าไปอยากให้เป็นอนิจจังอยากให้เป็นนิจจังอยากให้เป็นอัตตาก็าจะต้องเจอกับความทุกข์ถ้ามีถ้าจิตเป็นจิตที่สงบมีสมาธิจิตก็จะสามารถปล่อยวางน่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตไม่ไปยึดไปติดไม่ไปทุกข์กับ ร่างกายไม่ไปทุกข์กับเวทนาไม่ต้องไปทุกข์กับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นไดน้นี่คือพระสูตรข้ออันที่สี่คือสติปัฏฐานสูตรแล้วพระสูตรอันที่ห้าก็คือมงคลละสูตรทรงแสดงส8สบขั้นตอนของการบำเพ็ญของการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุไปถึงพระนิพพานตามลำดับ เช่นข้อแรกก็สงสอนให้รู้จักคบคนรู้จักหาอาจารย์หาจักหาหาคนที่ฉลาด<ม>เข้าหาคนฉลาดอย่าไปเข้าหาคนโง่<ม>คนโง่จะพาให้เราโง่<ม>ถ้าเราอยากฉลาดเราต้องไปหาคนฉลาดให้เขาได้สั่งสอนความรู้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กๆพ่อแม่ก็ส่งเราไปโรงเรียน พราพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะสั่งสอนให้เรามีวิชาความรู้ต่างๆก็เลยต้องส่งไปเรียนตามสถานที่ศึกษาต่างๆเพื่อให้เราได้เรียนรู้วิชาต่างๆแต่การศึกษาตามโรงเรียนต่างๆนี้มันเป็นเพียงการศึกษาทางโลกเป็นการศึกษาวิธีทำมหากิ่งเอาเอาความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาไปทำมหากิน มีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองได้แต่ไม่สามารถนาเอาความรู้ที่เราเรียนตามสถานที่ศึกษาต่างๆนี้เอามาดับความทุกข์ทางใจของเราได้เพราะเขาไม่ได้สอน ว, วิชาธรรมะในโรงเรียนกันเรียนไปถึงระดับขั้นสูงสุดระดับปริญญาเอกก็ยังไม่สามารถเอาความรู้ระดับปริญญาเอกนี้มาดับความทุกข์ทางใจได้มาสร้างความสุข สร้างความสงบทางใจได้ถ้าอยากจะรู้เรื่องของธรรมะยิ่งจำเป็นจะต้องไปศึกษาจากสถานที่ที่มีการเผยแพร่ธรรมะคำสั่งคำสอนก็คือต้องไปศึกษาจากพระอริยสงสาวกหรือไปศึกษาจากพระไตรปิฎกจากพระสูตรที่ได้กล่าวถึงมานี่ห้าพระสูตรใหญ่ าห้ารพระสูตรที่สําคัญที่ควรจะศึกษากันซึ่งทางวัดทางที่นี่ก็เคยทําหนังสือเอามาแจกอยู่เรื่อยๆหนังสือมีชื่อว่าเบญจางค้าสูตรหนังสือที่มีบันทึกพระสูตรทาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าอยากจะบรรลุถึงพระนิพพานต้องศึกษาพระสูตรห้าพระสูตรนี้ แล้วเราจะได้รู้หลักของการปฏิบัติรู้หลักของการดำเนินที่จะพาให้จิตใจเราได้บรรลุถึงพระนิพพานได้พอพอเราได้ศึกษาแล้วเรายัางอาจจะต้องไปศึกษาจากพระอริยสงฆ์ต่ออีกด้วยเพราะว่าพระสูตรนั้นก็อาจจะยังแสดงแบบไม่ครบถ้วนบริบูรณ์คือรายละเอียดในการปฏิบัตินี้อาจจะไม่ได้มี บรรจุไว้ในพระสูตรอยากจะรู้วิธีปฏิบัติจิตใจรู้จากวิธีเจริญสติว่าต้องเจริญอย่างไรวิธีที่จะทาใจให้สงบต้องทำอย่างไรวิธีที่จะสอนใจให้เกิดปัญญานี้จะต้องทำอย่างไรนี้อันนี้อาจจะต้องไปศึกษากับผู้ที่ได้ได้ได้ปฏิบัติมาแล้วได้บรรลุถึงผลของการปฏิบัติแล้วก็คือพระ อ, อริยสงสาวงนั้นเองนะ ดังนั้นเราหลังจากที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไว้เป็นเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อให้เราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรแล้วเราก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราคิดว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้มีอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบคือเราได้เรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว แล้วเวลาเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเราก็จะได้เอามาเปรียบเทียบ ว, ว่าคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เราไปปฏิบัติไปเรียนรู้ด้วยนั้นสอนตรงกับพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือสอนขัดกันถ้าสอนขัดกันเราก็จะได้รู้ว่าถ้านไม่ได้สอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้อาจจะไม่ต้องไปศึกษากับท่านาะ ถ้าศึกษาแล้วศึกษาคำสอนที่พุทธเจ้าไม่ได้สรงสอนให้ปฏิบัติ mm hmm. ก็จะทำให้เราถ้าเราไปเรียนรู้แลวปฏิบัติ mm hmm. อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปก็ได้ mm hmm. เราก็เลยต้องมีมีอะไรมาคอยเปรียบเทียบกันมีความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นหลักไว้ก่อนแล้วเวาก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่าง ดูซิว่าคูบาจารย์สอนตามที่พระเจ้ทาทรงสอนหรือไม่ทรงสอนนักแบบหรือไม่ทรงสอนอรยิรรยสัจสีหรือไม่ทร<ม>งสอนการเจริญสติการเข้าสมาธิ<ม>หรือไม่มสิ่งเหล่านี้เราจะได้รู้ว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่มถ้าเราไม่ศึกษาจากพระไตรปิฎกเลยนี้เราก็จะไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ที่เราไปศึกษาด้วยนี้ ท่านศึกษาท่านสอนตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนหรือไม่ น, นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเข้าหาเข้าไปศึกษาจากผู้รู้จริงก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องไปปฏิบัติอะไรกันถ้าเราศึกษาเราก็จะได้รู้ว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้เข้าถึงพระนิพพานนี้มีหัวข้อใหญ่ๆอยู่สามหัวข้อเท่านั้นเอง mm hmm. ที่ทรงแสดงไว้ในในพระสูตรที่เรียกว่าพระปฏิโมก mm hmm. ที่ทรงแสดงทำโปรดพระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป mm hmm. ในวันมาคา บ, บูชา ในวันมาฆ่าบูชานี่เป็นวันแผ่นเดือนสามเป็นวันที่มีพระอริยสงฆ์มีพระอาหารหันตัสาวกหนึ่งพันสองรอห้าสิบูปได้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศโดยที่ไม่ได้นันไม่ได้นันหมายกันไว้ก่อนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความคิดถึงด้วยความเคารพด้วยความรักเพราะว่าการที่เขาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี้ก็เกิดจากคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ภาพอรหันต์หนึสองรรูปนี้เป็นภาพอรหันต์โดยโดยการศึกษาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ขอพระพุทธเจ้าบวดในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำการบวชให้ให้เป็นพระภิกษุในในบรารพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้บวชแล้ว พระเาจ้าก็บอกให้สาวกเหล่านี้เดินทางไปแยกเดินทางกันไปคนละทิศคนละทางเพื่อ น, นำธรรมมันประเสริฐนี้ไปเผยแต่สั่งสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้รู้วิธีของการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างและในวันนั้นตอนที่ทรงทรงแสดงธรรมให้โปรดพระ ันหันทั้ง1น5 0งพงรูปนี้ก็ทรงแสดงหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในยุคใดสมัยใดก็ตา ม, มถ้าได้มาตัดสล้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วและได้มาแสดงธรรมโปรดให้กับสัตว์โลกทั้งหลายจะสอนเหมือนกันหมดทุกๆพระองค์จะสอนในสามหัวข้อใหญ่ด้วยกัน คือหนึ่งให้ละ ก, การกระทาบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่เคยปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ตาม หรือพระพุทธเจ้าที่ปรากฏขึ้นในยุคปัจจุบั น, นยุคที่พวกเราอยู่กันนี้ก็ตามหรือพระพุทธเจ้าที่จะมาปรากฏในอนาคตก็ตามชเช่นพระศรีอาน ร, ริยะเมตรยัยที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะแสะดงทำโปรดสัตว์โลกเหมือนกันมีสามหัวข้อใหญ่ๆคือละการกระทำบาปทั้งปวง สร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงตัวที่สร้างความทุกตัวที่พาให้จิตใจต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะสอนเหมือนกันหมดวันนั้นพระเจ้าก็ท่งทรงสแสดงให้พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ทราบไว้ เพอที่เวลาแสดงธรรมจะได้แสดงไปในทิศทางเดียวกันมีสามหัวข้อใหญ่ๆงั้นพระไตรปิฎกที่มีธรรมะถึงแปดหมืนสี่พันธรรมบทนี้ก็จะมีแต่เรื่องสามเรื่องนี้เท่านั้นเรื่องของการไม่ทำบาปเรื่องของการทำบุญต่างๆเรื่องของการชำระจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอันนี้ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาล่าำลือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อ น, นําเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องนี้จะต้องรู้หัวข้อใหญ่สาหัวข้อนี้ที่เรียกว่าเป็นหัวใจของคําสอนของของพระพุทธเจ้าหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือน้าการกระทําบาป ท, ทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อม ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเ mm hmm. มื่อเรารู้สามหัวข้อใหญ่เหล่านี้แล้ว mm hmm. สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็ต้องไปดูรายละเอียดขอ ง, mm hmm. ข, องของสามหัวข้อใหญ่นี้มีว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. เช่นไม่ให้กระทําบาปทั้งปวงบาปคือการกระทําที่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ เมื่อสร้างแล้วมันก็จะย้อนกลับมาหาใจของผู้กระทาเวลาทำบาปแล้วใจของผู้กรรทก็จะทุกขขึ้นมาจะมีความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เราก็ต้องไม่ทำบาปบาปมีอะไรบ้างก็มีการกระทาทางกายทางวาจาทางกายก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์ของผู้อื่น การประพฤติผิดประเทณีแล้วก็ทางวาจา ก, ก็คือการพูดโสดโกหกหลอกลวงส่วนข้อที่ห้าคือการดื่มสุรายาเมานี้ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้เกิดการกระทําบาปขึ้นได้ง่ายเป็นอบายามุกอบายามุกนี้นอกจากสุราแล้วก็มีการเล่นการพนัน มีการเที่ยวกัางคืนมีความเกลียดค้านมีการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิดนี่คือการกระทาที่ไม่พึงกระทาเพราะว่าถ้าเราไปเสพอบายามุขนี่เช่นถ้าเราดื่มสุรายาเมาก็จะเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีสติยับยั้งการกระทำทางกายทางวาจาได้ เวลาที่เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วคิดจะไปทำร้ายผู้อื่นหรือจะไปพูดด่าผู้อื่นนี้ถ้ามึนเมาไม่มีสติก็จะไม่สามารถยับยั้งการกระทําเหล่านี้ได้พอคิดแล้วก็จะปล่อยออกมาทางกายทางวาจ า, ท, าทันทีแต่ถ้าไม่ดื่มสุราถ้ามีสติอย่างที่ตอนนี้อย่างญาติโยมตอนนี้มีสติอยู่มีสติควบคุม ร่างกายวาจะให้นั่งอยู่ในความสงบได้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีสติถ้ามึนเมานี้นั่งฟังเทศอยู่นี้ดีไม่ดีเดี๋ยวนุ่งอยากจะร้องโวยวายก็จะร้องโวยวายขึ้นมาทันทีดังนั้นสุรายาเมาจึงรวมต้องเป็นสิ่งที่ต้องห้ามด้วยนอกจากไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปวดแล้วก็ต้องไม่ดื่มสุรายาเมา หรื่อของมึนเมาอย่างอื่นเช่นยาสตสมัยนี้มียาเสพติดหลากหลายชนิดด้วยกันก็เป็นแบบเดียวกับสุรายาเมาของพวกนี้เมื่อเสพไปแล้วจะทำให้ขาดสติเมื่อไม่มีสติแล้วก็มักจะไปพูดไปทําอะไรที่เสียหายตามมาได้เช่นถ้าดื่มสุราแล้วเมาอย่างนี้แล้วต้องขับรถกลับบ้านหรือไปไหนมาไหนขณะที่มึนเมานี่ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนี้มีมากถึงต้องมีการรนรงอยู่เรื่อยๆเยมาแล้วไม่ขับกันเพราะว่าถ้าต้องการที่จะขับรถบนทางถนนให้ปลอดภัยทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นผู้ขับรถนี้ต้องมีสติสัมผัสัญญาครบบริบูรณ์รู้รู้สึกตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่ ถ้าเดือนสุรายาเมาแล้วหรือเสพยาเสพติดขึ้นมาแล้วเกิอดอาการมึนเมาจะขาดสติจะไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ลองถามคนที่เขาเมาดูเลยหลังจากที่เขาหายเมาแล้วถามว่าเมื่อคืนนี้ไปทําอะไรมั่งจําจได้ไหมจำไม่ได้ไม่รู้ทําอะไรบ้างเพราะขณะนั้นไม่มีสติที่จะรับรู้อะไรไปล่อยให้การกระทําทางกายทางวาจะไหลไปตามอารมณ์ตามความความอยาก ความต้องการของใจอย่างนั้นต้องไม่ดื่มโซราต้องไม่เสพอบายามุขเพราะการเสพอบายามุขนี้จะเป็นตัวที่ผลักดันให้ไปทําบาปได้ง่ายดื่มโซลาแล้วไม่มีสติก็จะไปทําบาปได้ง่ายหรือคนที่คิดอยากจะทําบาปนี้บางทีต้องดื่มโซราไว้ก่อน พราถ้าไม่ดื่มโซลานี้ยังมีสติอยู่นี้มีความสำนึกอยู่ในใจว่ามันเป็นเรื่องการกระทําที่ผิดก็จะไม่กล้าทํากันแต่พอต้องแต่พออยากจะทําแล้วต้องการที่จะทําให้ใจกล้าทําขึ้นมาก็ต้องไปดื่มโซลากันดื่มโซลายอมใจเพราะย้อมใจให้ใจกล้าหาญขึ้นมาความจริงไม่ใช่กล้าหาญนะทำให้ใจบ้าขึ้นมาบ้าในกระทําในสิ่งที่ ตัเองก็รู้อยู่ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีทั้งกับตนเองและกับผู้น mm hmm. แต่ถูกกำนังของความอยากของกิเลสตัณหาคอยยุยงคอยผลักดัน mm hmm. จึงทําให้คนที่จะทําบาปนี้บางทีต้องไปดื่มชวลายาเมาก่อนดืน่มชวราแล้วพองมึนเมาแล้วก็เลยไม่มีความกลัวบาปไม่มีความละอายในการกระทําบาป mm hmm. แล้วก็จะทําให้เกิดการกระทําบาปได้ง่ายอื mm hmm. พระพุทเจ้าก็เลยต้องห้ามห้ามการกระทำบาปและห้ามเสพอบายามุขด้วยอบายามุขถึงแม้ว่าจะไม่เป็นตัวตัวที่จะทำให้เกิดผลผลบาปเกิดวิบากกรรมก็ตามแต่มันเป็นตัวที่จะไปผลักดันให้เกิดการกระทำบาปตามมานอกจากเล่นเื่องชลายาเมาแล้วก็เล่นการพนันก็ไม่ไม่เป็นเหตุที่จะพาให้ไปทำบาปต่อไปได้ เพราะคนที่เล่นการพนันไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องขาดทุนจะต้องไม่มีเงินทองแต่ยังอยากจะเล่นอยู่ก็ต้องไปขโมยเงินหรือถ้าไปเป็นหนี้เขาก็ต้องไปขโมยไปป้นเงินป้นทองของผู้อื่นมาใช้หนี้การพนันกันการเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวกลางคืนก็จะต้องใช้เงินมากมีมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับ พอเงินไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาเงินโดยวิธีด้วยการกระทําบาปไปช่อกงไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงหาเงินมาเพื่อจะได้เอามาใช้ในการเที่ยวต่อไปความเกลียดค้านก็เป็นการกระทําที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีรายได้คนที่เกลียดก็จะไม่ไปทํางานไม่ไปทํามาหากินเมื่อไม่มีรายได้จากการทำมาหากินที่สุดจริตก็จะต้องไปหารายได้ด้วยการทําทุจริต ไปผชอบโกงไปลักทรัพย์ไปหลอกลวงพูดและการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าไปคบคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราให้ไปดื่มสุราชอบคนที่เล่นการพนันเขาก็จะชวนให้เราไปเล่นการพนันชอบเที่ยวเขาเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวชอบความเกลียดครางเขาก็จะชวนให้เราเกลียดคราง นบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เราไม่ควรครบค้าสมาคมด้วยเพราะจะดึงเราให้จิตใจของเราลงต่ำนั่นเองเราต้องการดึงจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่ให้จิตใจเราลงต่ำถ้าเราไปทำบาปถ้าเราไปเสพบาบายามุกนี่แล้วไปทำบาปจิตใจเราจะลง ต, ต่ำตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันถ้าเรายังไม่ได้ทำบาปนี้ถือว่าเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์ เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนแต่พอเราเริ่มทำบาปกันแล้วไปรักทรัพย์บ้างไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปพูดปลดไปโกหกหลอกลวงไปประพฤติผิดประเพณีเราจะลืงจิตใจเราลงต่ำลงสู่อบายเริ่มเริ่มลดจากความเป็นมนุษย์มนุษย์น้อยลงไปเรื่อยๆบางบางส่วนก็ไปเป็นเดรัจฉานบางบางส่วนก็ไปเป็นเปรต บางส่วนก็ไปเป็นนสุลกายบางส่วนก็ไปนรก<ม>ขึ้นอยู่กับบาปที่เราทํา<ม>ว่าทําด้วยสาเหตุอันใดทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดลาฉานทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวก็เป็นนสุลกายทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นก็จะเป็นนรกขึ้นมามมเวลาตายไปแทนที่จะขึ้นสูง ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่นิพพานก็ไปไม่ได้ถ้ายังติดอยู่ที่อบายถ้ายังทําบาปอยู่ก็จะไปไม่ได้นั่นคือสาเหตุว่าทําไมพระเจ้าถึงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นการหลุดพ้นการไปสู่พระนิพพานนี้จําเป็นจะต้องไม่กระทําบาปไม่ไม่เสพอบา ย, ยามุขเพื่อที่ป้องกันไม่ให้จิตใจลงต่ำ จากความเป็นมนุษย์อยู่ในตอนนี้ตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันจิตใจเราอยู่ในระดับของมนุษย์ถ้าเราไม่ทำบาปถ้าเราไม่เสพอบายามุขจิตใจเราก็ยังจะคงเป็นมนุษย์ต่อไป<ม>อันนี้คือขั้นแรกของการการปฏิบัติคือให้ละการกระทำบาปต้องถือศีลกันถือศีลห้าและละเว้นการเสพอบายามุข เมื่อเราทําได้แล้วเราก็จะป้องกันไม่ให้จิตใจเราลงต่ําได้เมื่อจิตใจเราไม่ลงต่ําเราก็จะสามารถดึงจิตใจให้ขึ้นสูงต่อไปได้วิธีขึ้นสูงจากจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทวดาไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ก็เกิดจากการทําบุญต่างๆนี่สร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีการต่างๆเช่นช่วงนี้เราก็มีการทํา บุญกะถินกันการทำบุญกระถิ่นก็เป็นการเป็นบุญเป็นบุญกุศลรูปแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่รูปแบบเดียวบุญกุศลนี่มีหลายรูปแบบด้วยกันที่เราสามารถทำได้ทำทำบุญกะถินก็ดีทำบุญผ้าป่าก็ดีทำบุญสังฆทานก็ดีหรือว่าทำบุญทำทานกับผู้ที่ ทุกยากเดือดร้อนก็ได้ทําบุญกับคนยากคนจนทําทานเรียกว่าทําทานให้กับผู้ที่ยากจนผู้ที่เดือดร้อนทําบุญกับผู้ที่เป็นคนแก่คนชราทําบุญกับคนพิการหรือทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานต่างๆที่เดือดร้อนหรือไปถ่ายชีวิตวัวควายหรือไปปล่อยนกปล่อยปลา วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมให้ยกระดับจิตใจจากความเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเป็นเทพต่อไปถ้าเกิดว่าเกิดร่างกายต้องตายไปก่อนที่จะไปถึงพระ น, นิพพานอย่างน้อยก็จิตใจก็จะไม่ไปลงตักจิตใจก็จะขึ้นสูงจะไปอยู่บนสวรรค์ไปพักอยู่บนสวรรค์ชั่วคราวกว่อจนกว่าบุญที่เราได้สร้างไว้นี้มัน บทกำลังลงเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะกลับมาทําในสิ่งที่เราเคยทําต่อไปถ้าเราเคยถือศีลไม่ทําบาปเราก็จะถือศีลไม่ทําบาปต่อไปถ้าเราไม่เสพอบายมุขเราก็จะไม่เสพอบายมุขต่อไปถ้าเราทําบุญอยู่เป็นประจําจนติดเป็นนิสัยเราก็จะมาทําบุญต่อไปเราก็จะยังสามารถยกระดับ รักษาระดับจิตใจของเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นเทพยอยู่ได้แล้วถ้าเราอยากที่จะขึ้นไปสูงกว่าระดับของของเทพเพราะว่าการที่เราจะไปนิพพานนี้เราต้องขึ้นไปสู่ระดับของพรหมแล้วจากระดับของพรหมไปสู่ระดับของพระอริยบุคคลถึงจะสามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้ดังนั้นขั้นต่อไปเมื่อเราได้ไปถึงชั้นเทพแล้ว ได้ทำบุญอย่างสม่ําเสมอแล้วตามกําลังตามกําลังทรัพย์ของเราที่เรามีอยู่มีมากมีน้อยเราก็ทําไปเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นอย่าไปเสียดายกับข้าวของเงินทองที่เราต้องเอามาใช้กับการทําบุญเพราะว่าตายไปเราก็เอาเข้าวของเหล่านี้ไปไม่ได้แต่เราสามารถเอาบุญติดตัวเราไปได้ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเลยตายไปทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เราเอาไปไม่ได้ ถ้าเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์อย่างมากเราก็อาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์<ม>หรือถ้าเราพลาดเราไปทำบาปไว้<ม>บาปก็จะดึงเราลงไปสู่อบายทันที<ม>ดังนั้นการทำบุญนี้มันมีประโยชน์อยู่หลายอย่าง<ม>คือยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น<ม>แล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้ใจลงลงต่ำได้เพราะว่าบางทีเราอาจยังพั้มเผออยู่ อาจจะถูกอำนาจของของโทสะโมหะโลภะกดดันผลักดันให้เราไปทำบาปในบางครั้งบางคราวอยู่แต่ถ้าเราได้ทำบุญอย่างสม่ำเสมอบุญที่เราทำนี้ก็จะมามามาต้านบาปที่จะดึงเราไปในอบายไดเอ็นตอนที่เราตายนี้บุญกับบาปที่เราได้ทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้จะมาแย่งดวงวิญญาณของเรา ให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าเราทำบุญไว้มากกว่าบาปเนี่ยเราก็ยังจะไปสวรรค์ได้แต่ถ้าเราทำบาปมากกว่าบุญเนี่ยบาปก็จะดึงใจเราลงไปสู่าบายลงต่ำไม่ได้ขึ้นสูงดังนั้นต้องพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆอย่าไปเสียดายกับข้าวของเงินทองคิดว่าเป็นการซื้อตีตัวให้กับดวงวิญญาณของเราเวลาที่ ร่างกายนี้ตายไปดวงวิญญาณของเราจะได้มีตั๋วขึ้นเครื่องไปสวรรค์ได้ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเลยเถึงเวลาตายไปนี้ไม่มีตั๋วขึ้นเครื่องเราก็จะต้องติดอยู่กับพบที่เราอยู่ในขณะนี้หรือต่ํากว่านี้ถ้ามีบาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงเราลงต่ําได้ น, นี่ต้องพยายามทําบุญอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่มีเงินมีทองในการทําบุญเราก็สามารถยังทําบุญได้อยู่ ทำบุญด้วยการใช้แรงกายของเราใช้ความรู้ของเราเช่นเรามีความรู้วิชาความรู้อะไรเราเอามาสอนคนที่เขาอยากจะเรียนรู้โดยที่ไม่คิดเงินทองไม่คิดค่าตอบแทนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้วิทยาทาน ใ, ให้ความรู้หรือถ้าเราจยเป็นจิตอาสาไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานต่างๆ เช่นตอนนี้เวลามีงานกฐินมีงานอะไรเราก็ไปช่วยวัดช่วยทำความสะอาดช่วยจัดที่จัดทางช่วยล้างถ้วยล้างชามช่วยทำงานอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญกุศลได้เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่มีไม่มีเงินทองที่จะใช้ในการทำบุญทาทานให้ทาความดีให้มีรู้จักการเสียสละแบ่งปัน เสียสละด้วยกำลังกายกำลังวาจาก็ได้หรือกาลังทรัพย์ก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีอะไรที่จะเสียสละแบ่งปันได้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมได้เช่นเดียวกันเมื่อเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจิตใจเราจะมีความสุขจะมีความสงบในระดับหนึ่งที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะหาความสุขจากความสงบของใจให้มากขึ้น และวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขของใจให้ม่ได้มากขึ้นเราก็ต้องไปปฏิบัติข้อที่สาที่พระเจ้าทรงตัดสอนว้คือให้มาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนี้จะให้ความสุขใจให้ความสุขใจใจนี้ที่ไม่มีความสุขเพราะใจยังมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอยู่เป็นเครื่องที่จะมาทำให้จิตใจไม่มีความสุข ดังนขั้นต่อไปหลังจากที่เรารักษาศีลได้แล้วไม่ทำบาปได้แล้วทำบุญสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเข้าสู่ระดับของพรหมโลกของพรหมก็คือการไปชำระจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตภรรมนาขั้นแรกก็ให้เจริญสมถาภาวนาก่อน การเจริญสมถะภาวานานี้จะยกระดับจิตใจจากจากชั้นเทพจากชั้นมนุษย์ให้ขึ้นมาไปสู่ชั้นพรหมคือการเจริญสติและนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆถ้าได้ฌานระดับรูปฌานก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นรูปประภมถ้าได้ฌานในระดับอรูปฌปานก็จะเข้าสวรรค์ชั้นอรูปประภม จะเคลืจะได้ฌานหรือไมน่นี้ขึ้นอยู่ที่กําลังสติและอยู่ที่การตัดการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะการที่เราจะไปสู่ความสงบของใจได้ใจต้องละเว้นการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องละเว้นความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราแล้วก็ละเว้นจากการ หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากต่างๆให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายซึ่งรับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอแล้วก็ไม่ควรเกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมากังวลเกยวเรื่องของการรับประทานอาหารเพอาะร่างกายได้รับประทานอาหารพอเพียงแล้วเหมือนกับเหมือนกับการเติมน้ามันรสนีเราไม่จาเป็นจะต้องเติม ครั้งละครั้งละครึ่งถังครั้งละหนึ่งในสามของถังเราเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยหนเดียวจะได้ไม่เสียเวลาไปคอยจอดเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆท้องเราก็เป็นเหมือนถังน้ํามันเรากินให้มันเต็มท้องไปเลยวันเดียวครั้งเดียวก็พอสามารถอยู่ได้จนกระทั่งถึงวันรุ่งขึ้นต่อมาพระส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติพระปฏิบัติส่วนใหญ่นี้ท่านจะถือทุตดงขวัดคือฉันมือเดียว เพราะท่านไม่ต้องการที่จะหาความสุขจากการขบฉันและท่านไม่ต้องการจะมาเสียเวลาให้กับการขบฉันมากเกินไปเอาเวลาในการขบฉันนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับใจดีกว่าดังนั้นผู้ที่ต้องการจะมาเจริญสมถภาภาวนานี้จาเป็นที่จะต้องละการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกัน แล้วก็ไม่กินอาหารมากเกินไปรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่เกินไม่ไม่เกินเที่ยงวันแล้วก็ไม่เข้าไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทางมหามหัศลศพบันเทิงต่างๆให้ยับยั้งหาการหาความสุขเหล่านี้เพราะถ้ายังไปเสพความสุขจากมหัศพบันเทิงอยู่ก็จะไม่มีเวลา ที่จะมาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้การที่จะเข้าได้นี้จําเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติ<ม>ก็เลยต้องตัดเวลาที่เราไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย<ม>การหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่ถือว่าเป็นนิวรนถือว่าเป็นอุปสรรคเป็นกําแพงขวางกั้นการเจริญของจิตใจ จากขั้นขั้ น, ข, นขั้นเทพขั้นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่ขั้นของพรหมผู้ที่ต้องการที่ยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับพรหมผู้ที่ต้องการเจริญสมถะภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิยึงจําเป็นจะต้องถือเนคขมมะการปฏิบัติเนคขมมะคือละเว้นการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือการถือศิญแปนั่นเองเนะมื่อถือสิญแปดได้แล้วแล้วก็ต้อง หาที่สงบด้วยเพราะการที่จะทำจิตใจให้สงบนี้สถานที่ที่ปฏิบัติต้องสงบก่อนเพราะว่าถ้าสถานที่ปฏิบัติไม่สงบมันก็จะทำให้จิตใจสงบได้ยาก mm hmm. พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องกายวิเวกก่อนกายวิเวกแล้วจิตถึงจะวิเวกตาม mm hmm. ถ้ากายคือสถานที่ที่ร่างกายไปอยู่มันไม่สงบไม่สงบมันก็จะยากต่อการที่จะทาจิตใจให้สงบให้สงดได้ ผู้ปฏิบัติต้องการความสงบของจิตใจจึงต้องรู้จักเลิกสถานที่ของการปฏิบัติต้องรู้จักเปลีกยวิเวกต้องรู้ว่าที่ไหนเป็นที่สงบสงดัดทางกายไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีไม่มีรูปเสียงกดลดิ่นรสไม่มีแสงสีเสียงอะไรต่างๆที่จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจต้องไปหาที่สงบสงดัดแล้วก็ต้องอยู่คนเดียว mm hmm. อยา่าคลุกคลีกัน ถ้าไปอยู่หลายๆคนเดี๋ยวก็ไปคุยกันไปทำกิจกรรมร่วมกันไปดื่มน้าาําชากาแฟอะไรกันไปไปเตรียมตัวทำของถวายพระอะไรก็ตามก็จะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปผู้ที่ต้องการที่จะเจริญสมถะความสง บ, บของใจจำเป็นจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่คลุกคลีกันไม่สงสังคมกันถึงแม้ว่าถ้าจะไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติร่วมกันก็ตาม ก็จะมาร่วมกันทำทำสิ่งที่จําเป็นจะต้องทำร่วมพร้อม ก, กันก็คือเช่นมารับประทานอาหารหรือมาฟังเทศฟังธรรมเท่านั้นถ้าไม่มีกิจกรรมแล้วก็จะแยกกันไปอยู่คนละทิศคนละทางไปอยู่ที่พักของตนเพื่อจะได้เจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทําจิตใจให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้อ น, นี่คือกระบวนการของการยกระดับจิตใจจากขั้นเทพให้ขึ้นไปสู่ขั้นพรม้ม จำเป็นจะต้องละเว้นการเสพกามแล้วก็รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารมากเกินไปแล้วก็อยู่ในสถานที่สงบสงดัดกายวิเวกจิตจะได้วิเวกตามแล้วก็ไม่คลุกคลีกันแยกกันอยู่แล้วก็จเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับพอลืมตาขึ้นมาถ้าเราใช้พุทธา น, นุสติเราก็จเจริญพุทธา น, นุสติ คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอลื่นตาขึ้นมาก็เริ่มปฏิบัติได้เลยไม่ต้องรอร่างหน้าร้างตาก่อนการปฏิบัตินี้ปฏิบัติทางใจน่างกายนี้ไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในสภาพไหนสิ่งที่จำเป็นก็คือใจต้องต้องเริ่มปฏิบัติแล้วเพราะถ้าไม่เริ่มปฏิบัติกิเลสนี้ก็จะเริ่มทำงาน ท, าทันทีเวลาที่เราตื่นขึ้นมานี้ถ้าเราไม่จเจริญพุทโธ กิเลสมันก็จะเริ่มคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาทันทีนั้นสิ่งที่เราต้องทําเพื่อสกัดกั้นการทํางานของกิเลสก็คือเราต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาพอเราต้องการกําจัดกิเลสอย่างหนึ่งเราต้องการหยุดกิเลสไม่ให้ทํางานเพราะถ้าเราสามารถมีสติทําให้กิเลสหยุดทํางานได้ทําให้ใจสงบได้ใจเราก็จะได้มีความสุขจะได้เข้าสู่ความสงบ แล้วก็จะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติราลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี้เท่านั้นเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เรียกว่าลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงก็คือความสงบนี้เองถ้าเราหมั่นจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้น ความคิดที่จะคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงได้เวลานั่งสมาธิจิตเราก็จะนิ่งจะสงบเข้าฌานได้อย่างง่ายได้แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เป็นความสุขเหมือนกับพัะ น, นิพานเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองสมาธินี้เป็นความสุขแบบนิพานแต่เป็นความสุขแบบที่ยังไม่ถาวรขณะที่สงบ ก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆมีแต่ความสุขเหมือนกับตอนที่ได้นิพพานมาก็เป็นแบบเดียวกันแต่สมาธินี้ยังไม่ได้กำจัดปิเลสให้ออกไปจากใจเท่านั้นเองเพียงแต่กดมันไวสมาธินี้ท่านพูดเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นเหมือนหินทับหญ้าถ้าเราเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราเอาหินยกหินออกจากหญ้าไป ทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอหญได้น้ำไ ด, ได้ได้แดดมันก็จะงอกขับคืนมาใหม่เพราะรากของมันไม่ได้ถูกทำลายอันใดสมาธินี้ก็ไม่ได้ไปทำลายรากของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆรากของกิเลสตัณหาก็คือโมหะความหนุงความไม่รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะอยากได้ไม่ควรเป็นสิ่งที่ควรจะโลภเพราะไปมาอยากได้ความทุกข์มานี่นเพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่กิเลสตระหาอยากได้นั้นล้วนเป็นอนิจจังล้วนเป็นอนัตตาล้วนเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นสุขได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือขั้นปัญญาขั้นแรกนี้ทาจิตใจให้สงบก่อน สงบแล้วก็พยายามฝึกทําให้บ่อยๆทําให้ชํานาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราชํานาญทางสมาธิแล้วขั้นต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาแทนที่เราจะเจริญสติเราก็จเจริญปัญญาแทนเวลาใจเกิดความโลภเกิดความอยากในสิ่งใดก็สอนให้ละความโลภนั้นเพราะสิ่งที่เราโลภนั้นถ้าเราไปอยากแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้ดังใจอยาก เชนอยากให้ร่างกายเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนี้มันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้วิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็คือเราต้องหยุดความอยากหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายด้วยการยอมรับความจริงยอมรับว่าร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บ ร่างกายต้องตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ร่วงพ้นความเจ็บร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าเรามีปัญญาและเรามีสมาธิมีโอเบคาเราก็จะห้ามใจได้ห้ามใจไม่ให้ไปอยากกับความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอเราห้ามได้ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดเวลาที่ร่างกายแก่ใจก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายไปใจก็ไม่เดือดร้อน เพราะใจไม่ทุกข์เพราะไม่มีความอยากนี่แหละคือกระบวนการของขั้นพระอริยบุคคลจะเวลาที่เราได้สมาธินี้แสดงว่าจิตใจเราอยู่ในระดับพรหมลนะอยู่ในรูปประพรหมถ้าได้รูปประชานอยู่ในระดับอรูปประพรหมถ้าเราได้รูปอรูปประชานแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่านั้นเราก็ต้องออกทางปัญญาพิจารณาตรายรักษ์ในทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายเราก็เป็นตรายรักษ์ไม่เที่ยง ก่แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้ใจทุกข์ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายปล่อยวางได้ก็จะเข้าสู่ขั้นระดับของพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นพระโสดาบันละความหลงยึดติดในร่างกายละความรู้สึกได้ ว่าเป็นตัวเราของเราพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสภาวะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปในที่สุดนี่คือขอบวนการขั้นสุดท้ายก็คือเจริญปัญญาเพื่อละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปที่เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่เห็นตายลักไม่เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตานเท่านั้นเองพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากนั้นเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาความอยากก็จะหมดไป เราความอยากหมดไปจากใจใจก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าเป็นพระนิพพานขึ้นมาเป็นบรมเป็นบรมสุขขึ้นมานิบานังปรมังสุ ข, ขังขึ้นมาใจที่ถึงพระนิพพานแล้วก็เป็นใจที่ไม่มีเชื้อแห่งภพชาติติกต่อไปเชื้อของภพชาติก็คือความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกิ่นรสกามาตัาหาความอยากมีอยากเป็นภาวะตันหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือวิภวะวตันหา ความอยากเหล่านี้ที่พาให้ดวงวิญญาณยังต้องมาเกิดในไตพบอยู่มาเกิดในกลามาพบในรูปพบและอรูปพบอยู่พอกำจัดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาแล้วความอยากก็จะหมดไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากทั้งสามนี้ก็เรียกว่านิพพานเป็นใจที่ไม่มีภพชาติไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจให้ไปเกิดใหม่ต่อไป ใจก็จะหลุดพ้นจากการกองทุกแห่งการวีนว่ายตายเกิดที่ได้เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นระยะเวลาอยาวนานทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกขต้องไม่มาเกิดและการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องทําใจให้เป็นนิพพานทําใจให้เป็นใจที่สะบริสุทธิ์ปราศจากความอยากทั้งสามคือกามาตัาหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาด้วยการปฏิบัติ ทมที่พระเจ้าทรงสอนให้สามข้อใหญ่ๆคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปริปุเรนติสาขัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏจชิตังตุมหังคิปเมวะสมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโยทามณิโชติระโสยทาสัพพิปโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุ มาเตพวัตวันตาวายุสุขีทีขายุโกผวะอาพิวาธนสีลิษะนิจางุธาปจายโนจตารธรร ม, มาวาทานติอายุวนโนโสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอให้ถามในช่วงนี้ช่วงเดียวนะเพราะเลิกแล้วจะไม่สะดวกแล้ววันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 421คน YouTube พระสุชาติหลาย206 YouTube ดกร70คลับเท้า8วิทยุออนไลน์7 นาควติร้อยเก้าสิบแปดรวมทั้งหมดเก้าร้อยสิบขปราจนะใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้เขากระดกเล่นถามอ้าการอยากทําความดีค่ะถือว่าเป็นความอยากที่เป็นอยู่ในกิเลสด้วยหรือเปล่าคะไม่เป็นเป็นธรรมความอยากทําบุญอยากจะรักษาสี่งอยากจะปฏิบัติธรรมนี้เป็นธรรมเป็นมรรคไม่ใช่เป็นกิเลสเป็นความอยากที่ดีนี่ก็ฉันทะวิริยะ ความยินดีในธรรมดีความอยากเที่ยวอยากล่ำอยากรวยเนี่ยเป็นกิเลสเพราะมันนําไปสู่ความทุกข์แต่ความอยากทําบุญอยากปฏิบัติธรรมนี่มันนําไปสู่ความหยุดพ้นจากความทุกข์จะเป็นความอยากที่ดีมีคําถามจากทางหน้ากุฏินะคะ ถามว่าตอนนี้พิจารณาอาการ32กลับไปกลับมาเข้าไปสงบในสมาธิแล้วก็ถอนออกมาพิจารณาใหม่ทำจนชำนาญจิตจะรวมทำถูกต้องไหมคะถูกต้องใช้อาการ32เป็นวิธีทำใจสงบก็ได้ จากทาง Facebook ค่ะขอาการาบการภาวนาพุธทธนี้หายใจเข้าพร้อมกับคาว่าพุทธหายใจออกโทรหรือพุทธโทรเร็วๆโดยไม่สนกับลมผมพุทธโทรเร็วๆ ร, รู้สึกเหนื่อยครับกราบขอบพระคุณครับก็ได้ทั้งสองอย่างจะใช้พุทธเข้าโทออกก็ได้หรือจะใช้พุทธโทอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ลมอย่างเดียวไม่มีพุทธโทก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นไป ทาง Youtube ค่ะขอเกับเรียนถามพระอาจารย์การทำทานนั้นเราบริจาคใหโ้โรงพยาบาลช่วยเหลือสัตว์ที่เดือดร้อนก็ถือว่าเป็นทานด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันไม่จาเป็นว่าจะต้องทำกับวัดอย่างเดียวทำกับศาสนาอย่างเดียวถึงจะได้บุญได้กุศลแต่ถ้าเราต้องเลือกว่าระหว่างทำกับวดัดกับทากับที่อื่นก่อนถ้าที่วัดเดือดร้อนก็ควรจะทาที่วัดก่อน เพรที่วัดมีหน้าที่ที่จะช่วยเราเผยแผ่ธรรมะให้กับเราถ้าไม่มีวัดเราก็จะไม่มีที่ปฏิบัติไม่มีที่เรียนรู้แต่ถ้าวัดพร้อมแล้วพร้อมเหลือเฟือแล้วก็อยากจะไปทําที่อื่นก็ทําได้คุณวิรัติค่ะลักษณะอาการเมื่อเข้าสมาธิได้แล้วจะเป็นอย่างไรครับเหมือนคนกินข้าวที่อิ่มแล้วเป็นยังไงอิ่มแล้วก็สุกใช่ไหมอยากจะนอน จากช่องทางดร์วีค่ะคุณวาสนาค่ะกลับไปถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่หนูได้มีโอกาสสวดมนต์ทางออนไลน์และฝึกนั่งสมาธิปเป็นเวลาหลายเดือนจะเป็นไรไหมเจ้าค้าแบบต้องไปขอเป็นลูกศิษย์เจ้าค่ะ อ, อ๋อการปฏิบัตินี้ความจริงเราปฏิบัติตามลําพังเราแต่ในเบื้องต้นถ้าเราปฏิบัติตามลําพังไม่ได้เราต้องมีกลุ่มดึงเราแล้วก็ไปเข้ากลุ่มเช่สนสวดมนต์ออนไลน์กัน แต่ถ้าเราสวดมนต์เองได้เราก็สวดไปเลยไม่ต้องไปรอเข้ากลุ่มไม่เสียเวลาตอนนี้ยังไม่มีจังการการปฏิบัติทำเบื้องต้นนี้บางทีจิตใจเรายังไม่ไ ม, ไม่เข้มแข็งมีกําลังไม่พอต้องให้มีกลุ่มคอยดึง ม, มีเวลาเขาจัดนัดเวลาไว้ว่าเวลานี้สวดมนต์นะเวลานี้นั่งสมาธินะเวลานี้เดินจงกรมมันต้องมีคล้ายคล้มีกิจกรรมให้ทํา ถ้าทําเองนะมันไม่ยอมทํำนะมันจะทะเลทลาย เ, าเดี๋ยวค่อยทําก็ได้เดี๋ยวดูนั่นดูนี่ก่อนแต่ถ้าเราต้องทําเข้ากลุ่มเนี่ยพอถึงเวลาก็ต้องทําแต่ถ้าเราเริ่มมีวินัยแล้วเราสามารถบังคับตัวเราเองให้ทําตามเวลาที่เราต้องทนะําแล้วเราก็ไม่ต้องไปเข้ากลุ่มก็ได้ทําของเราเองไป มีคุณการสุวรรณค่ะแจ้งพระอาจารย์ว่าพาลูกสามขวบวันนี้ได้ฟังธรรมค่ะน้องจำได้ว่าหลวงตาให้รถสีเหลืองแล้วก็นมยาคูเจ้าค่ะธรรมะจำไม่ได้เลยจากทางเ c e บุ๊ k ค่ะความทุกจากรูปรถกิ่นเสียงสัมผัสต้องใช้ตัวใดจำกัดกำจัดทุกได้ทันตัดทุกได้ถาวรเจ้าค่ะ เบื้องต้นก็ต้องอาศัยการการถือศีลก่อนถือศีลแปดอย่าไปดูอย่าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่จําเป็นจะต้องไปรับรู้แล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาภาวนาทําจิตให้สงบแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นได้ทั้งสองสุขสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เวลาไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์ก็จะทุกข์ เห็นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพมันเลยเพราะรูปเสียงกินลดมันมาได้ทั้งสองรูปแบบบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ตอนี้ยังไม่ถูกถ<ต>้าเห็นถ้าเราเห็นว่าสิ่งใดทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เช่นถ้าเราเห็นว่าอาหารชนิดนี้กินแล้วจะต้องเกิดโรคมะเร็งนี้เราก็จะไม่กินครับตอนนี้ถึงมีสารปลอดพิษกันใช่ไหม อ, อาหารปลอดสารพิษ ก, กินเพื่อไม่ให้มีโรคพอเรามีปัญญา แต่อาหารที่มีมีใส่เคมีอะไรต่างๆนี้มันมีโลกทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้เราก็เลยไม่กินหันใดเราก็ต้องเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนได้เวลาได้มาใหม่ๆมันอาจจะดีแล้วต่อไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นไม่ดีหรือจากเราไปก็ได้พอเราไม่ดีมอนไม่ดีหรือจากเราไปมันก็ทำให้เราเสียใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่มีมันเราก็ไม่ทุกข์ จากคุณธนวัตรค่ะกลับนรมาสการพระอาจารย์กระผมต้องเข้าไปถวายสังฆทานกับท่านไม่ทราบว่าจะถวายสังฆทานกับท่านโดยตรงได้ไหมครับและวันเวลาช่วงไหนได้บ้างครับก็ทุกวันที่มีการแสดงธรรมอย่างวันนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการแล้วก็วันพระเวลาบ่ายสองโมงก็ฟังเทศไปก่อนพอสามโมงก็เริ่มมีการถวายข้าวของต่างๆ ก็มาในวันนั้นได้เวลาวันอื่นมาแล้วจะไม่ได้พบนะเพราะว่าจะไม่ได้ไม่สะดวกที่จะรับแกกต้องมาวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการพวกนี้ก็ยังมาได้อยู่พวกนี้เป็นวันพระอีกวันหนึ่งตอนได้ถ้ามีใครอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้นะพอเดี๋ยวเราเลิกแล้วมันต้องมีการเคลื่อนไหวมีการรทำอะไรต่างๆมันจะไม่สะดวก ครดตรงนั้นอะไรก็ได้อะไรก็ได้อาจารย์ครับขอใกล้ๆไหม่น่ะครับขอการสอบถามว่าอาจารย์เกี่ยวกับการพยายาิจารณากายกับใจนี้ต้องให้จิตเข้าสู่สมาธิก่อนใช่ไหมครับคือการพยายาิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาได้ตลอดเวลาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแต่จะได้ได้ผลหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามีกำลังที่จะละความยึดติดในร่างกายได้หรือไม่ ถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ควรไปยึดติดแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิกำลังเราจะไม่พอเราก็จะปล่อยไม่ได้แตการพิจารณานี้เพื่อให้เราเห็นว่ามันเป็นร่างกายยึดติดกับร่างกายเป็นทุกข์เช่นความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มันจะทำให้เราทุกข์แต่เราก็อดอยากไม่ได้ใช่ไหเราก็ยังอยากให้มันแข็งแรงอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ปวดแต่ความจริงมันอยากไปมันก็ทุกข์ไปเปล่า เพราะว่ามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมชาติของมันนี้การที่เราจะหยุดความอยากนี้ได้เราต้องมีสมาธิต้องทําจิตใจให้เรานิ่งให้มีอุเบกขาพอใจเรานิ่งมีอุเบกขาเวลาออกมาพิจารณาเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ครับขอสอบถามพระอาจารย์อีกคําถามนึงครับวิญญาณคําว่าวิญญาณผู้รู้แล้วก็ผู้คิดคือตัวเดียวกันไหมครับอาจารย์ครับ คือวิญญาณนี่มีสองความหมายวิญญาณที่เราเรียกผู้รู้ผู้คิดก็คือจิตใจเวลาร่างกายตายไปจิตใจก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณไปดวงวิญญาณผู้นี้ก็คือดวงก็คือผู้รู้ผู้คิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้นี้ที่จะไปสวรรค์ไปนรกก็คือวิญญาณตัวนี้แล้วอีกวิญญาณอีกตัวหนึ่งก็คือวิญญาณที่อยู่ในตัวผู้รู้ผู้คิดนี้คือวิญญาณในขัน ในปันนามะขันเป็นวิญญาณที่เชื่อมต่อกับร่างกายเป็นตัวที่มาเชื่อมกับตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งเข้ามาที่ใจกึนวิญญาณตอนนี้เป็นตัวเชื่อมเป็นเหมือนสายที่เราเสียบกับโทรศัพท์หูฟังนี้ครับอันนี้เป็นสายเสียบกับเครื่องเราจะได้รับเสียงจากเครื่องเข้ามาหูเรา ดวงวิ ญ, ญญาณอยากจะเห็นรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ต้องมีสายมาเกอะที่ตาหูจมูกนิ้วมือกายเพื่อที่ได้เวลารูปเสียงเข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วมือกายมันก็จะส่งไปทางสายนี้เข้าไปสู่วิญ ญ, ญาณตัวตัวจิตตัวผู้รู้ผู้คิดนี่เีงมีสองความหมายวิ ญ, ญญาณในขันกับวิญ ญ, ญาณที่เป็นเป็นตัวจิตคือผู้รู้ผู้คิดครับแต่มันก็อยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกัน ขอบพระคุณมายกครับผมคำถามจากคุณชัยยันค่ะกราบธรรมสักกราบธมสักการพระอาจารย์ครับการปฏิบัติธรรมกับการพัฒนาจิตใจมีความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็เพื่อพัฒนาจิตใจจิต <Okay. S 1> ใจให้สูงขึ้นให้จากเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทพจากเทพให้ไปเป็นพรมเป็นพระระยะบุคคลตามลำดับมาไป คุณดาราค่ะการเอารูปคนตายที่ถูกผ่าท้องเห็นอวัยวะภายในช่องท้องมาพิจารณาถือเป็นการพิจารณาอสุภะใช่ไหมคะใช่เพราะการเห็นภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายก็จะทำให้เราคลายความกำหนัดยินดีได้ จากคุณจอยค่ะวันนี้ให้คนรับใช้ทำซุปผักเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพกินอาหารนอกบ้านจะปนเปื้อนกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับโรคธาตุแต่ปรากฏว่าคนรับใช้ทาออกมาผิดพลาดเราเลยโกรธแต่โกรธในใจไม่ทราบว่าควรใช้ปัญญาอย่างไรดีคะก็ต้องพิจารณาว่าคนใช้เราก็เป็นอนัตตาบางทีเราก็สั่งเขาได้บางทีก็สั่งเขาไม่ได้สั่งแล้วเขาก็ไม่ทาตามเราก็ได้ บางทีเขาจําไม่ได้หรือ บ, บางทีหูเขาไม่ดีหรือสติไม่ตอนนั้นไม่ได้ยินได้ฟังเราสั่งอะไรมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วพอพอก็สั่งมาแล้วจำไม่รู้จะทําไงก็ทําไปตามความคิดของตนเองก็อาจจะทําผิดพลาดได้เพราะนั้นความโกรธของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้เขาทําตามคําสั่งที่เราสั่งพอเขาไม่ทําตามเราก็โกรธขึ้นมานนเราต้องพิจารณาว่าเราไม่สามารถไปบังคับคนอื่นควบคุมเขาได้ เราอาจจะทําตามที่เราบอกก็ได้ก็าอาจจะไม่ทําตามที่เราบอกก็ได้ถ้าเราไม่ใฝหวังเราก็จะไม่ทุกข์ไม่โกรธ จากคุณทีคัทนาค่ะทั้งที่รู้ว่าหยุดความอยากต่างๆเพื่อให้พ้นจากทุกข์คํำว่าให้พ้นจากทุกข์เราต้องปฏิบตัติทานศีลสมาธิและปัญญาแต่อยากทราบว่าต้องทําขนาดไหนถึงเฉพอเพียงเจ้าค้าถึงจะสู้กับกิเลสได้ค่ะก็สมาธินี้ต้องได้รูปได้รูปฌานได้อปนาสมาธิได้อุเบกขา พอได้ออเบคาแล้วใจก็วางเฉยได้พ <c oughs> อเห็นอะไรไม่ควรที่จะไปอยากก็หยุดความอยากได้ <c oughs> ถ้าสมาธิยังไม่ได้เต็มร้อยนี่ก็ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้ <c oughs> หมดแล้วนะโอเคถ้าไม่มีใครจะถามอะไรอีกก็เอาแค่นี้ก่อนนะ <c oughs> ขอให้ท่านจรงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพพพจิรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ ในทรยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิร์น